ช่วงนี้งานเยอะไปเทศโรงพยาบาลตำรวจเขาขอเขาขอบอกเอาให้ง่ายที่สุดเลย เ, เทศง่ายเทศง่ายก็เทศได้นะเทศให้ยากก็ได้เทศเราททำหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> เ, เทศเราไม่ทำก็ไม่มีประโยชน์อะไรเสียเวลาธรรมะเป็นเรื่องแปลกนะ เราขยายความให้กว้างขวางขนาดไหนก็ขยายไปได้เรื่อยๆหรือธรรมะมากมายนะเราย่อลงมาให้เหลือนิดเดียวก็ได้ประเด็นสำคัญคือเรียนเราต้องทำฟังเล่นๆไม่ได้ประโยชน์เลยหลวงพ่อตั้งแต่เด็กๆเจ็ดขวบครูบาอาจารย์สอน ให้ทำอนาปนาสติทำทุกวันไม่เคยเลิกเลยถึงเดี๋ยวนี้ก็ยังทำทำแต่ทำไม่มากจเจริญปัญญาเยอะไปเจอโลวงปูดลบอกให้ดูจิตดูทุกวันไม่เคยเลิกเลยเราเรียนแล้วเราไม่พาวนาไม่ได้อะไรเรียนไปงั้นฟุ้งซ่าน พวกไม่พอนานะปัญหาเยอะอยังมาเรียนกับหลวงพ่อนะแล้วก็จำจำไว้แล้วก็ไปวัดอื่นสำนักอื่นนะก็ไปเล่าปรับกันไปปรับกันมานะศึกษาเปรียบเทียบไปเลยมันกระเทือนใจคนอื่นเขาแต่เดี๋ยวนี้ดีนะไม่ค่อยมีไม่มาถามแล้วว่าไปเรียนที่โน่นมาเ้าสอนอย่างนี้ถูกไม่ถูกบ้ามันถามทําไม เดี๋ยวนี้ใครไปเรียนหลายวัดหลายที่นะเรียนที่ไหนก็ไปเอาสักทีหนึ่งเรียนแล้วไปลองทําดูล้างกิเลสได้ก็เอาร้างกิเลสไม่ได้ก็ไปหาที่เอาไหมถ้าศึกษาเปรียบเทียบไปเลยปัญหาเยอะคือไม่ลงมือ ท, ทําสักทีล้มเหลวทุกสํานักเลยไปอยู่สํานักไหนก็พาสํานักเขาล้มเหลวไปด้วยยันธรรมะต้องทําไม่ทําไม่เป็นหรอก ก่อนจะทำาทะเรียนซะหน่อยนะว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรแกาปฏิบัติจะไม่ยากถ้าไม่รู้หลักเลยลำบากมากยังงงเหมือนใครเคยได้ยินเรื่องคนตาบอดไปคลำช้าง้งช้างบางคนคนตาบอดหลายคนทดสอบอยากรู้ว่าช้างรูปร่างยังไง ให้คนตาบอดไปคลาช้างดูแต่และคนคลาไม่เหมือนกันนะบางคนคลาแล้วบอกช้างเหมือนงูตัวยาวๆมันไปคลำเอางวงช้างเขาบางคนบอกช้างเหมือนสูงนัขคเอาขาช้างเขาบางคนไปคลาช้างมันเป็นแผ่นๆกระพือไปกระพือมาได้นะมีปีกไม่คลาหูช้างเขา บางคนไปคลำอะไรว่ากลมๆเหมือนแผน่นซีด <laughs> ีช้างกรุงเทพช้างกรุงเทพก็มีซีดีปิดข้างหลัง <laughs> <laughs> ช้างสุรินไม่มีแผ่นนี้ธรรมะเหมือนกันนะเข้าสานักโน้นสำนักนี้แล้วไม่ได้แก่นของธรรมะนะ เขาบอกสำนักโน้นสอนอย่างนี้สำนักนี้สอนอย่างนน้นทำไมไม่เหมือนกันไปคลาช้างกละที่ถ้าเข้าใจแก่นของธรรมะแล้วมันเหมือนกันหมดนะนรู้จักช้างทั้งตัวแต่บางคนมันไม่รู้จักช้างทั้งตัวนะนรู้แต่ขาช้างก็สอนแต่เรื่องขาช้างอย่างนี้ก็มีปัญห า, างั้นเราต้องภาวนานะ เดี๋ยวนี้หลวงพ่อพอใจอยังพวกวิ่งร่อนไปร่อนมาไม่ค่อยมีสบายเหลือพวกเอาจิงการภาวนาเนะี่ยมีพัฒนาการที่น่าดูมากเลยถ้าคนเรียนหลักของการปฏิบัตินะเรียนปริยัติเรียนอะไรมามาฝังพวกเราส่งกันบ้านถ้าเขาไม่ติดที่ถ้อยคำนะเข้าไปถึงสภาวะที่พวกเราไปรู้ไปเห็นเนขะตื่นตะลึงนะ ขั้นตื่นตะลึงไลยว่าพวกเราทําได้ยังไงพวกเราเห็นสภาวะเห็นสภาวะของรูปธรรมของนมามธรรมบางคนพูดไม่เป็นหรอกแต่ว่าเห็นนะอย่างมาเล่าว่าแปลงฟันอยู่แล้วมัรู้ตัวอะไรรู้สึกมันร่างกายนี้มันอะไรก็ไม่รู้เนี่ยพูดไม่เป็นถ้าพูดเป็นต้อบอกมันเป็นรูปไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขา หรือเห็นอะไรก็ไม่รู้มันไหวยิบยับยบ ย, บ ย, บยบอยู่กลางหน้าอกก็เป็นความปรุงแต่งในตำราก็สอนความปรุงแต่งพวกนา ม, มาทรมทั้งหลายนั้นมันผุดขึ้นมาชาตยวัตถุในตำราก็พลาดไปได้ยินเรื่องมหยวัตถุหหายะคิดว่าอยู่ที่หัวใจไปแต่งกันขึ้นมาว่ามันอยู่ที่หัวใจไม่มีหรอกนา ม, มาทรมไม่เกิดที่หัวใจ หาทยะไม่ได้แปลว่าหัวใจอย่างเดียวนะคนไทยโบราณแปลดีนะแปลว่ากลางคำว่าใจกลางได้ยินไหมใจกลางเกิดขึ้นกลางๆลางองเกตไม้นามาทําความสุขความทุกข์ความโลบความโกดิดความหลงเกิดที่ไหนเกิดข้างซ้ายหรื อ, รอเกิดข้างขวาไม่ใช่เห็นไหมเกิดกลางๆางความคิดเกิดที่ไหนมีแล้วนะหัวข้างซ้ายข้างขวา ไม่กลางนะไม่กลางเนี่ยถ้าถ้าฟังเป็นนะโอ้โหที่พวกเราภาวนากันนะน่าตื่นตะลึงมีพระท่านมานั่งฟังพวกเราหรือบางองค์ท่านฟังซีดีนะบอกหลวงพ่อว่าโยมน่ากลัวจริงโยมภาวนาเห็นสภาวะเห็นสภาวะเห็นสภาวะของรูปธรรมนมามธรรม เห็นการทํางานของรูปธรรมนามธรรมเห็นสภาวะรูปธรรมนามธรรมแต่ละอย่างมีเหตุถึงจะเกิดถ้าไม่มีเหตุไม่เกิดแล้วก็บังคับไม่ได้เห็นสันตติขาดเมื่อคนเห็นสันตติขาดเห็นจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นแล้วดับไปมีช่องว่างเล็กๆมาขั้นอยู่จิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นแล้วดับไปมีช่องว่างเล็กๆมาขั้นอีก คนเห็นวิธีจิตเห็นจิตไหวตัวอยู่ในผวังนะขึ้นมารับอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ลงผวังก็มีขึ้นจากผวังมารับอารมณ์ทางใจโดยตรงก็มีขึ้นจากผวังมารับอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ยังไม่ยอมลงผวังส่งสัญญาณเข้ามาทํางานต่อที่ใจก็มีนะ เราภาวนาเราได้เห็นของจริงๆะที่เขาเรียนกันเขาท่องกันแทบตายนะเราไม่ต้องท่องเราเห็นของจริงๆกระบวนการทำงานอย่างเรื่องของจิตทำงานเรื่องวิธีจิตวิธีจิตมีหลายแบบ mm hmm. เห็นกระทั้งตอนฝันตอนนอนจิตขึ้นวิถีมาทำงานได้นะจิตฝันจิก็ ข, กขึ้นมาทำงานเหมือนกันพวกเราภาวนานะเห็น เห็นรูปประทับเห็นนามมาทำรูปธรรมนะัเนียอย่าว่าแต่ตอนตื่นเลยนอนหลับอยู่นะพลิกซ้ายพลิกขวายังรู้เลยเห็นรูปมันเคลื่อนไปเห็นนามธรรมเกิดขึ้นทั้งวันเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวรู้อารมณ์ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเห็นสารพัดจะเห็นนี่สิ่งที่พวกเราเห็นนี่แหละคือสิ่งที่อริธรรมเขาเรียนกัน อย่าอภิธรรมแรกเรียนเรื่องจิตแม้อภิธรรมเริ่มต้นอย่างเรียนเรื่องจิตเลยเรียนเรื่องจิตถ้าจากไปถึงเรียนเรื่องเจตสิกนะแล้วไปเรียนเรื่องรูปแล้วไปเรียนเรื่องนิพพานไปเรียนเรื่องวิธีของจิตเรื่องอะไรสุดท้ายมาเรียนเรื่องสมถวิปัสสนะแล้วก็มาเรียนเรื่องปัจจัยปัจจัยสิ่งทั้งหลายมันมีเหตุมีผลสัมพันธ์กันสัมพันธ์กันได้หลายรูปแบบหลายวิธีนะ เนื้อหาสาระในอภิธรรมพอพวกเรามาพานาเราก็เห็นนะก็เห็นเพียงแต่ว่าเราต้องเรียนเรื่องสมถะวิปัสสนาซะก่อนเรียนเรื่องสมถะวิปัสสนาให้รู้ว่าจะทํำยังไงรู้วิธีปฏิบัติแล้วลงมือปฏิบัติไปเราจะเห็นรูปนามเห็นจิตเห็นเจตสิกเห็นรูปไม่เห็นนิพพานเห็นจิตเห็นเจตสิกเห็นรูปเห็นการทํางานของจิต วิธีทำงานแบบนั้นแบบนี้เห็นไปเห็นมาก็แจ้งขึ้นมาไม่มีเราไม่มีเราไม่มีเขาไม่มีคนไม่มีสัตว์ต่อมาปัญญาลึกซึ้งเห็นเยยึดเมื่อไหร่อยากอยากเมื่อไหร่ยึดเมื่อไหร่ก็ทุกเมื่อนั้นไม่อยากไม่ยึดไม่ทุกต่อไปปัญญาแจ้งลึกซึ้งข็้ไปอีกจะอยากหรือไม่อยากจะยึดหรือไม่ยึดมีขันอยู่ก็ยังมีทุกอยู่ขันเป็นตัวทุก นี่ถ้าเห็นถึงขันเป็นตัวทุกข์นี่สุดสุดๆ ด, ดแล้วของปัญญาในทางพระพุทธศาสนาถ้าพวกเรียนปริยัติใจะบอกปัจฐานเนี่ยยากที่สุดนะคำพีปัจฐานเรียนยากที่สุดเรียปัจจยอา ก, การแต่พวกนักปฏิบัตินะตัวที่เห็นยากที่สุดเห็นทุกขนะ์ยากที่สุดเลยเห็นยากกว่าจะเห็นขันเป็นทุกข์ได้โอ้ยภาวนากัน แทบเป็นแทบตายนะสู้ตายาสู้หย่อหยอใหญ่ๆญญญไม่เห็นนะ้อย่างร่างกายนั่งอยู่ร่างกายปวดเมื่อยเราขยับหนีไปแล้วไม่รู้ซึง้งถึงความทุกข์จิตใจภาวนาไปนะจิตใจไม่สบายขึ้นมาหาทางแก้ไขแนละ้วหรือภาวนาจะแตกหักเนยะตัวจิตกลายเป็นตัวทุกข์ทุกข์ไม่มีอะไรเหมือนเลยทุกแสนสาหาัสทุกเหมือนโลกถล่มทลาย ทุกเหมือนภูเขาลูกใหญ่ๆหล่นลงมาบดขยี้หัวใจเลยทุกขนาดนั้นทุกขนาดว่าถ้าไม่ขยับตัวเลิกปฏิบัติเนี่ยจิตจะระเบิดตายนันทุกขนาดนั้นใครเคยเห็นบ้างภาวนาแล้วจิตจะระเบิดตายรู้สึกบ้างยัง <c oughs> ยังไม่เห็นเนาะในวันหนึ่งก็เห็นเนาะให้ภาวนาไปทุกจริงๆเลยทุกเหมือนจะระเบิด รูบาอาจารย์ท่านเล่าบางองค์ภาวนาจนสลบเลยนะทุกจนสลบไปมางองค์สลบไปสามรอบนะชิดถึงยอมวางพวกนี้ท่านกล้าหาญมากสู้ตายแต่ไม่ตายรู้ทุกแจ่มแจ้งเรืงละสมุทไทยละตัณหาได้ทันทีที่รู้ทุกท่านก็ละสมุทไทยในขณะนั้นแหละ ขณะใดที่ท่านล้าสมุทยัยท่านก็เห็นนิโรธในขณะนั้นแหะในขณะใดที่ท่านเห็นนิโรธขณะนั้นแหะขณะแห่งอริยมรรคยันรู้ทุกข์ล้าสมุทยัยแจ้งนิโรธนะเกิดอริยมรรคเกิดในขณะเดียวกันเป็นเรื่องอัศจรรย์นี่ความยากของสายปฏิบัตินะความความยากของสายปริยัติเนี่ยกว่าจะเรียนถึงคัมภีร์ปฐฐานนะยากเรียนมหาปฐฐานยาก คุณแต้มถึงมหาวิทยาลัยยังไม่ถึงบางแห่งก็มีหลักสูตรเจ็ดปีครึ่งเนะี่ยเจ็ดปีครึ่งถ้าสอบไม่ตกนะแล้วบางช่วงเรียนไปเรียนไปนะไม่มีอาจารย์สอนอาจารย์ไม่ว่างคำภีสูงสูงขึ้นไปรอเมื่อไหร่อาจารย์จะว่างนานๆจะเปิดคอร์สสอนเรียนกันเป็นสิบปีก็มีนาะเรียนกันนาน ขนาดปริยัตินะเรียนที่พระพุทธเจ้าบอกยังเรียนตั้งนานเลยเราลงมือปฏิบัตินะดูของจริงอย่าใจร้อนบางคนเจ็ดวันบางคนเจ็ดเดือนบางคนเจ็ดปีบางคนเจ็ดชาติไม่ต้องใจร้อนหรอกเวลาเราสะสมกิเลสเราสะสมนานคราบสกปลกฝังลึกเวลาซักฟอกจิตใจนานเหมือนกันนะแต่ไม่ยาก อดทนนะทำไปเรื่อยนะเดินไปเรื่อยรู้ทางรู้ทางไปรู้ที่ไปรู้ทางไปเดินทุกวันทุกวันต้องถึงเขาสักวันเส้นทางจะ ย, ยาวแค่ไหนไม่สาคัญอย่าไปคิดมันว่าเส้นทางนี้ยาวแค่ไหนเดินไปเรื่อยๆมีสติรู้กายรู้ใจรู้รูป ร, รู้นามตามที่มันเป็นรู้ได้จิตใจที่สงบตั้งมั่นเป็นกลางรู้ไปเรื่อยถึงวันหนึ่งมึงก็ถึงเอง เหมือนเวลากินข้าวไม่ต้องรีบกินหรอกกินไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็อิ่มเองอะอยู่ไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็แก่เองเดี๋ยวก็ตายเองภาวนาก็สบายทำสม่ัตเสมอไปเร่อยทุกวันทุกวันมีสติรู้รูปรู้นามรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงรู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นรู้ด้วยจิตที่เป็นกลางรู้ซ้ำแล้วซ้าอีกวันแล้ววันเล่ารู้ไปเรื่อย พอเราเห็นความจริงของรูปนามที่แรกที่เห็นไม่มีเราไม่มีคนไม่มีสันไม่มีเราไม่มีเขาเป็นพระโสดาบันนี่เป็นปัญญาขั้นต้นได้พระโสดาบันพอนาต่อไปมีสติรู้รูปรู้รรรนามรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงรู้ได้จิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางต่อไปอีกถึงวันหนึ่งเห็นจิตมีความอยากที่ไรนะมันส่งกระแสออกไป ส่งออกไปหาอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายส่งไปหรือส่งไปดิ้นรนฟุ้งซ่านทางใจจิตส่งไปทางตาไปดูรูปก็เป็นภาระจิตส่งไปฟังเสียงทางหูก็เป็นภาระจิตส่งไปทางจมูกไปดมกลิ่นส่งไปทางลิ้นไปรู้รสส่งไปทางกายไปรู้สัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวส่งไปทางใจไปคิดไปนึกไปปรุงไปแต่ง รั้นแต่เป็นภาระทั้งสิ้นเลยถ้าเห็นอย่างนี้นะใจใค่อยๆรวมเข้ามาเด่นดวงขึ้นมาตัวผู้รู้จิตผู้รู้ตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาไม่ไหลไปแล้รู้นี่ไหลไปทีไหลทุกๆุกทีกทเลยไหลไปทางตาก็ทุกไหลไปทางหูก็ทุกไหลไปทางจมูกทางลิ้นทางกายก็ทุกไหลไปทํางานทางใจก็ทุกเป็นภาระขึ้นมานั้นจิตก็วางทุกอย่างนะรวมเข้ามาอยู่ที่จิตมีความสุข เห็นเลยว่าถ้าจิตมีความอยากจิตมีความยึดจิตจะมีความทุกข์เห็นอย่างี้จิตไม่อยากจิตไม่ยึดจิตไม่ทุกข์เห็นอย่างี้จิตจะทรงตัวเด่นไม่ต้องรักษาแล้วคราวนี้แล้มันไม่แส่สายไปหารมทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายไม่ฟุ้งซ่านทางใจสงบสบายรู้เนือ้อรู้ตัวอยู่งั้นไม่ปรุงอะไรสบายปรุงความสบายปรุงความว่างว่างนจิตมาอยู่กับตัวผู้รู้ นี่เป็นภูมิธรรมของพระนาคามียังไม่จบยังสำคัญผิดอยู่เห็นไหมขนาดพระนาคามียังสำคัญผิดแนละ้วพวกเราจะสำคัญผิดขนาดไหนอ่ะิดดูพระนาคามีสำคัญผิดนะว่าตัวจิตผู้รู้เนี่ยเป็นที่ฝากเป็นฝากตายได้เพราะมายึดถืออยู่ที่ตัวจิตเอาตัวจิตผู้รู้เป็นที่ฝากเป็นฝากตายคิดว่าอยู่ตรงนี้ยันมีความสุขถ้าหลุดออกจากตัวรู้ ปเป็นตัวคิดตัวนึกตัวปรุงตัวแต่งแล้วจะทุกข์เราะนั้นจะยึดมั่นถือมั่นอยู่ในตัวจิตเนพวกภานานะแค่เราฟังธรรมะที่เขาพูดเราก็พอระดับเขาได้นะอย่างคนนี้คนนี้ก็ว่าเขาพอนาดีๆเลยนะเรนีฟังที่เขาพูดธรรมะเนะี่ยไม่ต้องเจตองเจ ต, ตัวอะไรหรอก <c oughs> ถ้าสอนบอกว่าประคองจิตให้นิ่งให้ว่างไปเรื่อยนะเนี่ยแหละรพระอรหันตนะ์ไม่ใช่หรอก ใช่แน่นอนถ้าเริ่มต้นมันไม่มีการรู้รูปนามนะไม่ใช่กับทั้งพระโสดาบันถ้าไม่รู้รูปรู้นามไม่ใช่กับทั้งพระโสดาบันมีแต่เรื่องนิ่งเรื่องว่างเรื่องไม่ยึดอะไรเลยไม่ใช่กับทั้งพระโสดาบันต้องรู้รูปนามหนีการรู้รูปนามไม่ได้การเดินปัญญาต้องรู้รูปนามเห็นรูปนามตามความเป็นจริงความเป็นจริงของมันมีเป็นลาดับๆๆๆลาดับลาดับแรกเห็นว่า รูปนามไม่ใช่เราไม่มีเราในรูปในนามไม่มีเรานอกเหนือจากรูปนามอีกนี่พระโสดาบันพระสกทาคามีสองระดับนี้จะเห็นแค่ิองมีปัญญานิดหน่อยปัญญาเบื้องต้นถ้าระดับพระนาคามีเห็นเลยถ้าจิตมีความอยากจิตมีความยึดจิตจะมีความทุกข์จิตไม่อยากจิตไม่ยึดจิตไม่ทุกข์ถ้จิตท่านจะตั้งมั่นเด่นดวงอยู่โดยไม่ต้องรักษาถ้าบอกประคองไว้รักษาไว้ ไม่ใช่พระอนาคานะถ้ายัางต้องประครองอย่างรักษาอยู่ไม่ใช่พระอนาคานะพระนาคานะปัญญาแก่กล้าปัญญาปานกลางแก่กล้าละเต็มภูมิปัญญาปานกลางรู้ว่าอยาก ร, รู้ว่ายึดก็ทุกข์ไม่อยากไม่ยึดไม่ทุกข์จิตไม่อยากไม่ยึดหนจิตทรงตัวเด่นดวงอยู่ถ้านะเราฟังธรรมะนะฟังฟังหลวงพ่อเล่าให้ฟังหลวงพ่อก็ฟังครูบาอาจารย์มานะ เล่าต่อๆกันมาแล้วต่อไปเวลาเราฟังธรรมะปุ๊บเราอยากเข้าใจเลยวนะ่าใครภาวนาแบบไหนยังไงแต่เราอย่าไปว่าเขานะหุบ ป, ปากไว้นะรู้ด้วยใจหุบ ป, ปากไว้ล้างกิเลสของเราไม่มีหน้าที่ไปล้างกิเลสคนอื่นถ้าคิดจะล้างกิเลสคนอื่นแล้วคนอื่นมันจะล้างเราเนี่ยภาวนาไปอีกแต่ส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่หลวงปู่ดูนท่านบอกไว้ พอพอนา ม, มาจนถึงตัวผู้รู้เนี่ยเสร็จเลยไม่ไปต่อละไม่ไปต่อคราวหนึ่งหลวงพ่อเจอหลวงปู่หลวงปู่คําพัน์หลวงปู่คาพันธ์ก็สอนกรรมฐานบอกว่าเหมือนเราเดินทางไกลเราจะไปหาแผ่นดินที่ร่มเย็นเป็นสุขเราไปเจอต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งนะมันร่มเย็นนะเราก็นอนอยู่ที่ต้นไม้นะเราไม่ยอมเดินต่อ นี่ท่านว่าอย่างนี้นะไม่ยอมเดินต่อทีอส่สบายแล้วสบายแล้วแต่จริงๆยังไม่ถึงปลายทางต้องเดินต่ออีกงั้นภาวนาจะมาถึงตัวผู้รู้แล้วต้องเดินต่ออีกภาวนาไปถ้าไม่นิ่งนอนใจหลวงปู่ดูลท่านบอกเลยส่วนใหญ่มาตายอยู่ตรงพระนักขานี่แหละไปไม่รอดแล้วก็มีความสุขแล้วเหมือนที่หลวงปู่คาพันธุ์บอกมันเจอต้นไม้ใหญ่แล้วนอนเล่นแล้ว ไม่ยอมไปต่อแั้นไม่เห็นแจ้งว่าจิตนั่นแหละเป็นตัวทุกข์กลับไปเห็นว่าจิตนี่เป็นตัวดีตัววิเศษเป็นที่ฝากเป็นฝากตายจิตจะไม่ดีก็แต่เมื่อจิตหลงไปอยากหลงไปยึดอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายหลงไปฟุ้งซ่านทางใจถึงจะไม่ดีรู้ตื่นเบิกบานเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่ดีนี่รู้สึกอย่างนี้งั้นไม่ปล่อยวางจิตถ้าไม่ปล่อยวางจิต ไม่เป็นพระอรหันต์แน่นอนอยังยึดถือจิตอยู่ยงั้นถ้าเราได้ยินธรรมะได้ยินธรรมะรักษาจิตไม่ถึงรักษาจิตหรือไม่ต้องดูจิตไม่ต้องดูกายทำงานนิ่งอย่างเดียวว่างอย่างเดียวไม่ใช่กับทั่งโสดาบัตแต่ถ้าท่านผ่านกระบวนการรู้รูป ร, รู้นามชำน้ชำนานมาจนจิตรวมเข้ามาอย่างนี้ จิตไม่ฟุ้งออกไปในการมอันนี้ภูมิของพระนาคาแต่ก่อนจะเป็นอนาคานี้ผ่านการรู้รูปนามมาแล้วทั้งนั้นนะไม่มีพระอราหันต์ใดๆหรือพระอริยะใดๆที่ไม่รู้รูปนามหรอกนะใครเคยได้ยินเรื่องโสรถยานยานส6หยานที่ส4มคัคคานี่เข้าขั้นโลกุตรนะ ย า, 15, ยานที่สิบ้าผลรยานนี้เป็นโลกุตตะระญานที่16ชื่อปัจเจเบกขณะยานไม่ใช่โลกุตตะระ mm hmm. แต่ก่อนจะถึงมรรคยานผลรยานปัจเจเบกขณะยานเป็นการทวนเข้าไปดูว่าอริยมรรคที่เกิดขึ้นล้างกิเลสอะไรไปบ้างเหลืออะไรบ้างก่อนจะถึงมรรคยานผลรยานก็เริ่มต้นมาจากยานที่หนึ่งก่อน mm hmm. ก่อนจะถึงยาน14เริ่มมาจากยานที่หนึ่ง อย่ที่หนึ่งชื่อนามรูปปริเฉทธียร์การจําแนกรูปนามมีปัญญาแยกรูปแยกนามไดนะ้งั้นไม่ถ้าไม่มีตัวนี้นะไม่มีวิปัสสนาหรอกแยกรูปนามได้ยังไม่ขึ้นวิปัสสนาเลยทีแรกเห็นร่างกายก็ส่วนหนึ่งจิตก็ส่วนหนึ่งนะเวทนาก็ส่วนหนึ่งสังขารก็ส่วนหนึ่งแยกรูปแยกนามได้หรือแยกละเอียดลงไป ตัวรูปแยกเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุหลมแยกได้ยังไม่ขึ้นวิปัสสนาแค่แยกรูปน้ำได้ขนาดแยกรูปน้ำได้ยังไม่ถึงวิปัสสนาเลยคิดดูถ้าไม่ดูรูปดูน้ำเลยมันจะไปเกิดวิปัสสนาที่ไหนเพราะวิปัสสนาคือการเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามนั้นถ้าไม่ผ่านวิปัสสนาไม่มีหรอกพระดิยาบุคคลนั้นการภาวนานะถ้าไม่ต้องรู้รูปนาม ประคองจิตนิ่งนิ่งว่างๆงไม่ต้องไปยึดอะไรสักอย่างไม่ใช่กระทั่งโสดาก็ไม่ใช่เพราะยังไม่มีกระทั่งนามรูปป ร, ริชเชษทะยานนะังั้นต้องแยกรูปแยกนามให้เป็นแยกรูปแยกนามเป็นแล้วจะเห็นเลรูปนามแต่ละอย่างแต่ละอย่างนะต้องมีเหตุนนะไม่ใช่อยู่ๆลอยๆมาเกิดไม่มีสิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุทั้งหมดเลยนะรู้ว่าอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้รูปนามแต่ละอย่างแต่ละอย่างเกิดนะ อันนี้เป็นยานที่สองนะชื่อปัจจะยาปริขหายานต่อมาพอหัดรู้หัดดูไปชำนิชำนาญ น, นะรู้ว่ามันเกิดจากเหตุนะมีเหตุมันเกิดนะถัดมาภาวนาไปเรื่อยเรื่ยเห็นเลยว่าทุกอย่างนะตกอยู่ใต้ไตรักษแต่ว่าตกอยู่ใต้ใจรักษเห็นความเป็นไตรักษณด้วยการเปรียบเทียบเช่นส่องกระจกดูเฮ้ยวันนี้มีสิวเมื่อวานไม่มีเออหน้าเราไม่เที่ยงไว หน้าเราไม่เที่ยงนี่เป็นตรลักณ์ตจลักษด้วยการเปรียบเทียบนะหรือตอนเด็กๆหน้าตายอย่างนี้ตอนโตแล้วหน้าตายอย่างนี้เดี๋ยวนี้แก่แล้วหน้าตายอย่างนี้นี่ไม่เที่ยงนี่เห็นตรลักษ์นะแต่เห็นด้วยการศึกษาเปรียบเทียบนะเป็นปัญญาอีกชนิดหนึ่งเป็นญาณที่สามนะชื่อสัมมาสนญาณ ย, ยังไม่ขึ้นวิปัสสนานะเราะฉนั้นอย่างเราคิดพิจารณาร่างกายว่าเป็นปฏิกูลเป็นอสุพะเป็นวิปัสสนามั้ยไม่เป็น แค่คิดมันก็ไม่เป็นมิปัสนาแล้วเพราะปัสนาไม่ได้แปลว่าคิดปัสนะว่าการเห็นเห็นน่ะเห็นน่ะต้องเห็นน่ะเห็นของจริงเห็นรูปเห็นนามเห็นความจริงของรูปของนามงั้นคิดเรื่องรูปเรื่องนามไม่เป็นมิปัสนาคิดเรื่องรูปเรื่องนามว่าเป็นไตรลักษณ์ยังเป็นสมัสณียานอย่าแต่คิดเรื่องปฏิกูุณสุภาษคิดเรื่องรูปนามเป็น ปฏิกูปเปนาสุภะไม่ใช่สัมมาสนญาณนะเป็นสมถะกรรมฐานเป็นวิธีข่มราคะไว้นั่ยพิจารกายเป็นปฏิกูลอาสุภาะไม่ไม่เป็นการเดินตัญญาจะเป็นสมถะกรรมฐานพิจารการว่าเป็นไตรลักษณ์ด้วยการเปรียบเทียบกันเมื่อก่อนเป็นอย่างนี้เดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้อะไรนี่เป็นการเดินปัญญาแต่ยังไม่ถึงวิปัสสนาเพราะยังคิตอยู่ นะตรงที่ขึ้นวิปัสสนาจริงๆชื่ออุทยพ ย, ายาัญาณอุทยพยัญญ า, ยาเนี่ยเห็นความเกิดดับของมันหรนะือเห็นไตรลักษณ์ของมันนะบางคนไม่เห็นเกิดดับแต่เห็นไตรลักษณ์เห็นขันเนี่ยแตกตัวออกไปขันแต่ละขันไม่มีตัวเราเห็นอย่างนี้ก็ได้เห็นขันแตกตัวออกไปนะจิตเป็นคนดูอยู่นะเห็นขันแต่ละขันเกิดดับไปอย่างนี้ก็ได้ เห็นขันแตกตัวไปจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่เห็นขันแต่ละขันทนอยู่ไม่ได้นดูแบบนี้ก็ได้ในอนิจจังทุกขังอนัตตานี่ดูได้ทั้งหมดเลยอนิจจังก็คือสิ่งซึ่งมันไม่เคยมีมันมีขึ้นมานี่ก็เรียกอนิจจังสิ่งซึ่งมีอยู่แล้วมันหายไปนี่เรียกว่าอนิจจังทุกขังหมายถึงสิ่งซึ่งมีอยู่เนี่ยมันทนอยู่ไม่ได้อะมันถูกบีบคั้นตลอดเวลามันทนอยู่ไม่ได้นี่เรียกว่าทุกขัง สิ่งทั้งหลายมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้ไม่เป็นไปตามอำนาจบังคับนี่เรียกว่าอนัตตานะงั้นอย่างพวกเราภนานาะเราเห็นสภาวธรรมเกิดดับเกิดดับสันตติขาดสันตติขาดเช่นเราเห็นรูปรูปหนึ่งกับอีกรูปหนึ่งโคตรรูปกันนะโคตรอนกันอย่างแน่นอนเเกิดดับมีช่องว่างมาขั้นด้วยนะแต่ละรูปนามาธรรมแต่ละนามาธรรมเกิดขึ้นมาดับไปมีช่องว่างมาขั้นด้วย ช่งว่างเล็ ก, เ ล, ก, เ, ลกเล็กมากเลยเล็กกว่าเส้นผมอีกส ต, ติปัญญาไม่ไหวเขาไม่เห็นหรอกถ้าภาวนาจนสันตติขาดหรือคณะขอละคังนอ น, นูคณะคือกลุ่มก้อนของความเป็นตัวเรามันแตกนี่ถึงจะเดินปัญญาได้ใช้ใช้ได้นเนปัญญาได้เห็นสันตติขาดเนี่ยขึ้นวิปัสสนาแท้และแต่วิปัสสนาเบื้องตน้นเขาเรียกว่าตรุณะตรุนะ มีปัสนาใช่ไหมดารุณเด็กอะดรุณดรุณนีรู้จักไหมดารุณนีภาษาโบราณเดี๋ยวนี้ไม่รู้จักแล้เห็นเกิดดับนะแต่จิตไม่มีพลังพอเช่นอย่างพวกเราเห็นกิเลสเกิดดับในใจเราเนี่ยเกิดดับเกิดดับแล้วพอเราไปดูมัน้ากิเลสมันหนีมันไหลวืดออกไปอยู่ข้างนอกไปออกข้างนอกเราก็ตามไปดูทรงจิตตามมันไปดูนะมันดับปั๊บไป ดับวับไปจิตไปค้างอยู่ข้างนอกเลยโลกธาตุว่างหมดแล้วโอ้บรรลุพระอราหารนะันต์แล้วนี่ดูจิตดูจิตนะไหลไปติดอยู่ในความว่างความสว่างอันนี้เรียกว่าวิปัสสนูปกิเลสวนะิปัสสนูว่างๆสว่างเรียนะโอภาษามบางทีก็ลงไปนะเห็นไหวๆอยู่ดีๆนะจ้องมันลงไปมันหลบวุบลงไปลึกเลยเที่ยค้นคว้าพิจารณาลงไปเลยนี่เขาวิปัสสน์นะ มิปสัปสนุมิปัสนุมีทั้งสิบอย่างแต่ทั้ง10บอย่างเนี่ยคือความฟุ้งซ่านของจิตในขณะที่เดินมิปัสนาทั้งสิ้นเนี่ยเป็นความฟุ้งของจิตฟุ้งไปในธรรมะสิบอย่างทีก็จเจริญสติกล้าแข็งมากเลยกลัวว่าจะขาดสตินี่เห็นมันเกิดดับแล้วมีช่องว่างมาคัดแล้วจ้องมันมให้คลา้าสายตาเนี่ยลืมโลกข้างนอกเลยนะขับรถอยู่วิชนใครต่อใครยังไม่รู้เลยเหยียบจราจรตายไปหลายคนแล้วยังไม่เห็น มันมากั้นด่านอยู่ไม่ทันดูมวแต่ดูจิตมันเกิดนัไล่ลงไปนะฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านในการปฏิบัตินี่ก็วิปัสสนูนะสติกล้าแข็งเกินไปนะดูตรงนี้เสร็จนะเหนยหน้าขึ้นมาเห็นอากาศทั้งหน้าเนี่ยเป็นเม็ดเม็ดเม็เมดเยนี่สติกล้าแข็งเกินไปนี่ก็วิปัสสนูนะทำวิปัสนาได้นะจะเกิดวิปัสสนถ้าจิตไม่ตั้งมั่นพอแต่ถ้ารู้ทันนะ ทำจิตตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูนะก็พ้นจากวิปัสสนะุก็จะเห็นความเกิดดับคราวนี้เป็นวิปัสนาชั้นแก่กล้าแลนะ้ววิปัสนาชั้นดีค่อยดูไปด้วยจะเบื่อหน่ายคลายกำหนักอะไรเบื่อไปตามลําดับนะในสุดเบื่อก็อยากหนีหนีก็ไม่ไดนะ้ก็เลยต้องอยู่กับมันก็ยอยู่กับมันอย่างเป็นกลางต่อไปเข้าไปสู่ความเป็นกลางต่อความปรุงแต่งทั้งปวงนะนี่เป็นศูนยอดของวิปัสนาะละ ถัดจากนั้นไม่เป็นวิปัสสนาอะไรแนละ้วจะขึ้นอริยมรรคแล้วนะขึ้นกระบวนการของอริยมรรคแลสรุปแล้วต้องรู้รูปนามนะต้องเห็นรูปนามตามความเป็นจริงนะไม่งั้นไม่มีวันห อ, อยจะเป็นพระอริยบุคคลนะเช่นไปทานข้าวไป